ช่วงเช้านี้เราไปฟังเสียงฝนแล้วก็ฟังเสียงโบเทียนแล้วก็ใจภาษาของท่านบางบางส่วนเราก็ไม่เข้าใจพูดถึงเรื่องรูปนามนามรูปภาษาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาปิิศนาท <c oughs> ี่ถ้าคนไม่คุ้นกับเรื่องปิสศนานี่ภาษาของท่านก็จะ ทำใไม่เราเข้าใจไม่ค่อยชัดจนะว่าการที่เราฟังก็คือการนำคาสอนคากล่าวของท่านมาย่อยให้เห็นชัดขึ้นนเเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านี่หลังจากฟังทำเสร็จก็จะไม่มีการเดินจงกรมเหมือนทุกวันนะเพื่อนั่งปฏิบัติให้ถึงเวลาเราก็จะเริ่มเก็บ เข้มไปตั้งแต่วันนี้นะมหมายถึงการฟังน้อยลงจะมีแต่สักถามเรื่องอารมณ์และข้อสงสัยว่าปฏิบัติไปแล้วติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็จะทำความเข้าใจเพราะหลักพระพุทธศาสนาท่านเน้นที่ความเข้าใจถูก ม่ไดินินว่าทํามากทําน้อยถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเราจะรู้เองว่าทํามากขนาดไหนทาน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเรายังเข้าใจยังไม่ถูกเราก็ยังสงสัยว่าจะทำสักเท่าไหร่ทำไปอีกเท่าไหร่เราจะสงสัยอยู่เรื่อยๆแต่เราเข้าใจถูกเหมือนกับเราจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยเรารู้ระยะทางแน่นอนว่าจากที่นี่ไปกรุงเทพเป็นระยะทางเท่าไหร่200กิโล เราจะคำนวณถูกว่าในระยะทาง200กิโลแเราขับรถเร็วเท่านี้ต้องใช้เวลาเท่านี้ขับรถชา้าเท่านี้จะใช้เวลาเท่านี้ถ้าไปรถส่วนตัวจะใช้เวลาเท่านี้ไปรถบัสใช้เวลาเท่านี้ไปเครื่องบินใช้เวลาเท่านี้เราจะหายสงสัยในการเดินทางความเข้าใจถูกต้องนี่ทำให้เราหายสงสัยในการเดินทางแต่ลําพังความเข้าใจถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเราเข้าถึงเป้าหมาย แต่เข้าใจเส้นทางว่าจะไปอย่างไรเร็วช้าอย่างไรหมายถึงอย่างนั้นแต่เราก็ยังต้องเดินทางอยู่เพียงแต่ว่าเรามั่นใจในการเดินทางเท่านั้นเอง น, นี่คือตัวทําความเข้าใจทุกวันความหมายคือสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจเส้นทางที่เราเดินเดินไปอีกเท่าไหร่นะทุกถึงจะหมดเดินอีกเท่าไหร่เราจึงหายสงสัยปฏิบัติอีกเท่าไหร่ มันจะเจอหมดกิเลสทันหาอาสวะเนี่ยเราจะรูนะ้แต่ถ้าเรายังไม่หายสงสัยอย่างนี้ก็จะทําให้เราปรับการเดินทางไม่ถูกก็จะเดินเร็วเดินชา้าเดินมากเดินน้อยแค่ไหนปรับไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเราหายสงสัยในเส้นทางแล้วนี่เราก็จะรูะ้ว่าเดินมากเดินน้อยแค่ไหนปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะรู้ นะในช่วงเช้านี้ก็จะถวายเวลาอาจารย์คมก c r e t e ท่านใดทำความเข้าใจในเส้นทาง <c oughs> ในการให้ข้อคิดให้สติเนี่ยก็คือพูดถึงประสบการณ์ของของเราเองนั่นแหละว่าเราผ่านมาแก้ไขอุปสรรปัญหาของเราเองที่ผ่านมาอย่างไรอุปสรรคในการเดินทางมาอยู่ตรงไหนสำหรับของแต่ละคน <c oughs> อุปรสรรคก็ไม่เหมือนกัน แต่ว่ามันคล า, ายกันเช่นง่วงของเราง่วงของท่านมันก็อาการคลายๆกันแต่ทีน่นีการกินเวลาการแก้ความง่วงเนี่เราอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปอันนี้คือประโยชน์ของการฟังประสบการณ์คือได้เทคนิคของแต่ละคนเามาใช้กับตัวเองในการแก้ หรือปัญหาเรื่องความคิดเขาฟุ้งซ่านของท่านฟุ้งซ่านนคิดเนี่ยท่านแก่ของท่านอย่างไรเราก็ลองมาแก้ของเราดูบ้างนะนี่คือเรียกว่าอุบายวิธีนั่ถึงจะใช้ถึงเยอะอบายวิธีถึงแปดหมพันพระธรรมขันธ์ก็คืออุบายวิธีเพื่อมาแก้ปัญหาในการเดินทางทางจิตเท่านั้นเองแต่เราต้องเรียนรู้อุบายวิธีเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมด8 0ดหมืรนสีรพันมังคย่อแล้วก็มาเหลือศีล ส, สีิปัญญาก็เหลือแค่สามอย่างนี่นะเพราะฉะนั้นเราในช่งชวงเช้าเราฟังนั่นแล้วก็หลังจากฟังเรียบร้อยล้วก็อาจจะเดินจกกุมข้างในเนะดินกลับไปเกิดมาท่านอาจจะนำโดยจุกกลมไปข้างหน้าบางถอยหลังมาทางนี้บางเพือ่อที่จะให้ผ่อนคลายนะนนตอนนี้เราก็ฟังท่านดู Yeah. <coughs>